นอนกระทำความเพียรตามหน้าที่ของพุทธบุตรที่ดีแล้วขอทุกท่านจงได้สลัดความง่วงเหงาเศร้าซึมออกไปจากดวงจิตทำชีวิตให้มีแต่ความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสแล้วปรารุป ค, ความเพียรกระทำความเพียรเพื่อให้ถึงในสิ่งที่ควรได้ควรถึงเพื่อให้บรรลุในสิ่งที่ควรบรรลุ เพื่อกระทําให้แจ้งในสัจธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการที่จะก้าวไปข้างหน้ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการที่จะถอยกลับมาข้างหลังในการเหยียดคู้แล่เหลียวในการทรงจีวรในการเคลื่อนไหวอิริยาบททุกส่วนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท พระศาสดาสัมมาสัพพิติเจ้าทรงตรัสไว้ว่าชีวิตแห่งบุคคลผู้ประมาทเป็นเหมือนคนตายแล้วส่วนผู้ไม่ประมาทคือผู้ที่ไม่ขาดสตินั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ตายพระองค์ทรงตรัสไว้อีกว่าประตูอันไม่ตายพระองค์ได้ทรงเปิดโล่งแล้วเพื่อพุทธบรบริษัททั้งหลายดูก่อนภิษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลาย นั่นเรือนว่างทั้งหลายท่านทั้งหลายจงกระทําความเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้เป็นพระวาจา a เครื่องพ่ำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นครูของหมู่มนุษย์และเทพพยายดาทั้งหลายขอทุกท่านจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทกระทาความเพียร รอ ย, ยุคนบาทของพระศาสดาธเถิดการเดินจงกรมกลับไปกลับมาก็ดีการสร้างจังหวะการกำหนดอิริยาบถในส่วนแห่งกายการเคลื่อนไหวก็ดีเท่ากับเป็นการเดินตามรอรอยยุคนบาทของพระศาสดาการมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละ จะเป็นวิถีทางที่จะให้อริยมรตมีองค์แปดอันเป็นทางแห่งพระนิพพานได้เข้าถึงความบริบูรณ์พร้อมท่านผู้ไข้ทำทั้งหลายเราทั้งหลายได้สละความสุขส่วนตัวในการกินอยู่หลับนอนการสนุกสนาน การเที่ยวเตร่ตามอัธยาศัยหรือบางท่านก็ได้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในครอบครัวในโลกิยารมมาแล้วขอท่านทั้งหลายจงได้มองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไร้ความหมายไม่ใช่เป็นสิ่งที่สูงสุดวิเศษแต่ประการใดพระศาสดาทรงตรัสไว้ว่าทุรชนคนผ่านนั้นย่อมสแสวงหาแต่เรื่องความสุขความสนุกสนานนัวเมาประมา สแสวงหาความสุขแต่ในทางเนื้อทางหนังซึ่งไม่ผิดอะไรกับสัตว์เดรๆฉานมันก็สแสวงหาของมันได้ส่วนบัณฑิตชนหรือว่าผู้ฉลาดนั้นสุจริตชนนั้นย่อมสแสวงหาแต่ทางมรรคทางผลทางที่จะประเทืองปัญญาในส่วนที่จะประครับประคองวิถีทางแห่งชีวิตได้บรรลุเป้าหมายคือพระนิพพานเพราะเราทั้งหลายจงเป็นพุทธสาวกผู้เชื่อฝัง ผู้ดเดินตามรอยยุคนบาทแห่งพระศาสดาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทในการสแสวงหาพระนิพพานมาดับราตรีเลตตันหาที่มีอยู่ใ น, ในดวงใจให้เข้าถึงความสงบเย็นแล้วเข้าถึงพระนิพพานโดยทั่วกันเถิดาอากาศในยามเช้าวันนี้ทำให้อตมาภา ได้ดำลึกถึงเวลาเช้าของวันหนึ่งซึ่งมันเป็นฤดูใบไม้ผลิใบเก่าของรฤกษาชาติถูกสลัดร่วงลงและเ ย, ยว่แห้งอยู่บริเวณโคนต้นที่เน่าเปื่อยไปแล้วก็มีเป็นจำนวนมากใบอ่อนซึ่งผลิออกใหม่แลดูสวยงามสล่างสลาวมองดูเรียงรายเป็นทิวแถวน่าชมเมื่อฤดูนี้มาถึงเข้าแทบทุกคนจะรู้สึกว่าเหมือนได้อยู่ในโลกใหม่ น้ำค้างบนยอดยาและใบไม้ที่ยังไม่ทันจะเหือดแห้งเพราะยังเช้าอยู่พระอาทิตย์เพิ่งจะทอแสงสาดอุ่นปิภพลงมาไม่นานนักลมอ่อนในยามเช้าก็พัดเฉยเฉียวขอบเอากลิ่นน้ำและกลิ่นดอกไม้นาน า, นาพันธุ์ติดมาด้วยนกเล็กๆก็กระโดดโลดเต้นด้วยความเริงสำราญจากกิ่งนี้สู่กิ่งโน้นและจากกิ่งโน้นสู่กิ่งนั้น พลางก็ร้อเหมือนส่งเสียงทักทายกันด้วยความสุขสดชื่นรับรุ่งอรุณช่างทาให้ระลึกถึงสุภาษิตเก่าๆบทหนึ่งว่ากาก็ดับนกดูว่าวก็ดับแต่ว่าอะไรเล่าที่จะเป็นเครื่องแตกต่างระหว่างกาและนกดูว่านั้นแต่เมื่อฤดูไม้ไม้ผลิมาถึงเข้ากาก็คงเป็นกานกดูว่าวก็คงเป็นนกดูว่าสาธุชนและทุรชน ล้วนมีรูปลักษณะคล้ายคลึงกันแต่เมื่อเปล่งวาจาปราศัยจึงทราบได้ว่าใครเป็นสาธุชนและทุรชนพระศาสดาได้เคยตรัสไว้ว่าที่ใดไม่มีสัตตบุรุษที่นั่นไม่ชื่อว่ามีสภาผู้พูดไม่เป็นธรรมผู้ประพฤติไม่เป็นธรรมไม่ชื่อว่าเป็นสัตตบุรุษ คณะปฏิบัติธรรมทั้งหลายบางครั้งทำให้นึกถึงตอนบ่ายของบางวันที่ทำให้เรามองเห็นว่าในขณะที่เราได้อยู่ในวัดวาอารามที่มีพันไม้หลายหลากล้อมรอบบริเวณอารามดูร่มรื่นยิ่งนักและบางเวลาซึ่งในวันตวันเวลาบ่ายนั้นความอบอ้าวได้ลดลงมาก นก เ, เล็กๆบนกิ่งไม้ได้วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินบางพวกก็ร้องทักทายกันอย่างสนิทสนมและชื่นสุขเดรฉ า, านนั้นเป็นสัตว์โลกที่มีความรู้และความสามารถน้อยมันมีความรู้ความสามารถแต่เพียงหากินและหลบหลีกภัยเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีความสุขยิ่งกว่ามนุษย์ซึ่งถือตนว่าฉลาดและมีความสามารถเหนือสัตว์โลกทั้งมวล เป็นความจริงที่ว่าความสุขนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนและภาวะใดถ้าว่าสามารถพอใจในภาวะนั้นได้เขาก็มีความสุขคนยากจนหาเช้ากินคำ่ำอาจจะมีความสุขยิ่งกว่ามหาเศรษฐีหรือมหาราชาผู้เร่าร้อนอยู่เสมอเพราะความปรารถนาและความทะเยอทยานอันไม่รู้จักจบสิ้น มนุษย์เราจะมีสติปัญญาชาญฉลาดสักปานใดก็ตามถ้าไร้เสียแล้วซึ่งปัญญาในการแสวงหาความสุขให้แก่ตนโดยทางที่ชอบแล้วเขาผู้นั้นควรที่จะทะนุตนว่าฉลาดกว่าสัตว์หรือมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ความอยากความดิ้นรนออกนอกหน้า แล้วก็วิ่งตามเหมือนคนที่วิ่งตามเงาของตนในเวลาบ่ายยิ่งวิ่งตามก็ดูเหมือนว่าเงาจะห่างตัวของเขาออกไปทุกทีทุกคนต้องการและมุ่งมั่นในความสุขแต่ว่าความสุขก็เหมือนเงานั่นเองความสุขไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราแสวงหาและมุ่งมองหน้าที่โดยตรงที่ควรทำนั้นก็คือว่าการมองทุบให้เห็น ควาอมทั้งตรวจสอบพิจารณาสาเหตุแห่งทุกนั้นแล้วทำลายสาเหตุแห่งทุกนั้นเสียโดยในนี้ความสุขก็จะมีมาเองด้วยเหตุนี้คำสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงให้หลักเราไว้ว่ามองทุกขให้เห็นจึงเป็นสุขความทุกขนั้น ตั้งต้นมาจากรากเหง้าคือกิเลสตัณหาและอุปาทานเพราะฉะนั้นปราบใดที่มนุษย์ยังพอใจในกิเลสยังชื่นชมอยู่กับกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วทางที่จะดับทุกข์ให้แก่เขานั้นไม่มีได้เลยเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมจะต้องไม่ชื่นชอบกับกิเลสตัณหาจะต้องเห็นว่ากิเลสตัณหาต่างๆนั้นเป็นศัตรูกับการปฏิบัติ เป็นกตูแห่งความสุขและทางนิพพานทั้งมวลขอเราทั้งหลายต้องได้รวบรวมอินทรีย์ให้แกร่แก่กล้าขึ้นด้วยศรัทธาวิริยะความเพียรสติสมาธิและปัญญาเพื่อที่จะห้ำหั่นกับกิเลสตัณหาให้สิ้นไปจากดวงใจของทุกท่นเธอ พระเชิญหน้าของเราทุกคนนั้นพระศาสดาทรงตรัสว่าก็คือเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์มูมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถูกความทุกข์เสียบอยู่ทั้งทางกายและทางใจอุปมาเหมือนคนผู้ถูกยิงแล้วด้วยลูกศรซึ่งกำซาด้วยยาพิษและญาติมิตรเห็นเข้าก็เกิดความกรุณาจึงพยายามกันช่วยถอนลูกศร น, นั้นแต่ถ้าบุรุษผู้โลภเ่านั้นบอกว่า ต้องไปสืบให้ได้เสียก่อนว่าใครเป็นคนยิงและยิงมาจากไหนลูกศร น, นั้นทด้วยไม้อะไรแล้วจิงค่อยมาถอนลูกศร อ, ออกบุรุษผู้นั้นคงจะต้องตายเสียก่อนเป็นแน่แท้ความจริงเมื่อถูกยิงแล้วหน้าที่ของเขาก็คือควรพยายามถอนลูกศร อ, ออกเสียทันทีชนรบแผลให้สะอาดใสยารักษาแผลให้หายสนิท อุปมาหนึ่งเหมือนบุคคลผู้ถูกไฟไหม้อยู่บนสีสษะควรรีบดับซะโดยพลันไม่ควรเที่ยววิ่งหาคนผู้เอาไฟมาเผาสีสัตตนทั้งๆ ท, ท, ที่ไฟได้ลุกไหม้อยู่ท่านนัดปฏิบัติทัรทั้งหลายพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่าสังสารวัตรนี้ โล่งอยู่ได้เพลิงทุกนานาประกาศผมให้ร้อนอยู่ทั่วแล้วสัตว์ทั้งหลายดิ้นทุรนทุรายอยู่ในกองแห่งสังสารทุกนี้ใครเล่าจะเป็นผู้ดักถ้าทุกคนไม่ช่วยกันดักทุกแห่งตนอุปมาเหมือนบุตรสตรีผู้รวมกันอยู่ในบริเวณกว้างแห่งหนึ่งและต่างคนต่างถือรุ่นไฟใหญ่อันไฟลุกโลงอยู่ทั่วแล้ว ต่างคนต่างวิ่งวนกันอยู่ในบริเวณนั้นและร้องกันว่าร้อนร้อนคราวนั้นได้มีบุรุษผู้ฉลาดผู้หนึ่งร้องบอกให้ทุกคนทิ้งบุ้นไฟในมือของตนเสียผู้ที่ยอมเชื่อทิ้งดุ่นไฟก็ได้ประสบความเย็นส่วนผู้ไม่เชื่อก็ยังคงต้องวิ่งถือดุ่นไฟพร้อมได้ร้องตะโกนว่า ร้อนร้อนอยู่นั่นเองเที่ยสูตรทั้งหลายอายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสโอทภะธรรมารมุมเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคาบ้านโทสะบ้าน เมหักบ้างเข้าแผดเผาอันไฟทั้งสามอย่างนี้เป็นไฟที่ปราศจากควันและไร้แสงแต่ว่ามีความร้อนแรงยิ่งกว่าไฟธรรมดาหลายเท่านักขอทุกท่านจงเล่นกระทำความเพียรเพื่อดับไฟทั้งสามกองนี้เถิดชีวิตจะมีแต่ความสงบสุขและร่มเย็น ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมีคำกลอนอันเป็นสุภาษิตกล่าวไว้ว่าอนิจจาร่างกายของชายหญิงมีแต่สิ่งปฏิกูลอาดูลหลายเต็มด้วยมูดพูดเหม็นไม่เว้นวายหน้าเบื่อหน่ายรำคาญทุกการไปร่างกายนี้มีหนังพุ้มบังทั่ว โดยรอบตัวมีช่องเป็นปล่องไขสิงโสโครมากมายจากภายในให้หลั่งไหลซึมออกมานอกกายกายนี้เป็นแผลใหญ่จำไว้เถิดเป็นที่เกิดทุกยาาลำบากหลายแต่คนเขาเฝ้าชมหลงงมงายว่าเชิดฉายโสภาเที่ยงถาวร อายังโขกายโยโอกายนี้เป็นทินที่เกิดอยู่แห่งมูนอนมีโรคาสารพัดคอยตัดร้อนให้เดือดร้อนประจำทุกย่ำยีร่างกายนี้ไม่นานนักก็จกแปรถึงความแก่คร่ำคร่าสิ้นราศีจากสิ้นลมล้มตายวายชีวี กลายเป็นผีเน่าพังเหม็นจังเอ่ยนับราท่านกล่าวไว้ว่าในการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องคิดอยู่เสมอว่าจิตนั่นเป็นนายให้เอากายเป็นเสมือนหนึ่งว่าเรือเอาสติเป็นหางเสือและเอาปัญญาเป็นคนภายคืออย่าปล่อยให้มีความคิดหรือการกระทำใด ลอยตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหาจงพยายามทวนกระแสอยู่เรื่อยๆเหมือนกับพระพุทธเจ้าของพวกเราได้ทรงลอยถาดทองที่แม่น้ำในรัญชาและถาดทองอันนั้นก็ได้ลอยทวนกระแสการปฏิบัติธรรมก็จะต้องมีการทวนกระแสใจดุจเดียวกันและมันพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิต อยู่เสมอๆ เ, เปรียบเหมือนชีวิตร่างกายของเรานี้เหมือนกับอาคารบ้านเรือนซึ่งมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็จะหมุนไปสู่ความชาราคร่ำค่าแล้วก็ผุพังดังคากลอนที่ท่านกล่าวไว้ว่าอันโรงเรือนเรียบเหมือนกับสังขารลอยไว้นานเก่าคร่ำฉลับฉลายแกแล้วก็กร่งกร่าง เนอร่างกายไม่เชิดฉายเหมือนหนุ่มกระชุ่มกระชวยตาก็มัวหัวก็ขาวเป็นคราวคร่ำหูก็ซ้ำไม่ได้ยินเป็นสิ้นสวยแรงก็น้อยถอยกำลังนั่งกองเงยฟันก็หักไปเสียด้วยสิ้นสวยเอ่ยการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในอัตภาพร่างกายนั้น ย่อมจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนอย่างแท้จริงจิตของเราจะสงบเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นและไม่หลงในสังขารทั้งหลายนั่นเองการปฏิบัติธรรมก็จะเจริญก้าวหน้าครั้งหนึ่งได้มีท่านพระกิริมานันทะเกิดอาพาธหนะักพระอานนท์ทรงทราบเรื่องแล้ว ไ้ทูลอาราธนาให้พระศาสดาเสด็จไปเยี่ยมเนื่องจากพระองค์ยังทรงมีภารกิจ <c oughs> บางอย่างอยู่จึงเสด็จไปไม่ได้ต่ได้ทรงให้พระอานนุ์เรียนสัญญาสิบประการแล้วไปสาธยายให้พระคิรีมานันทะฟังพระอานนุนคั้นเรียนสัญญาสิบประการอย่างแม่นยำแล้วก็ไปสู่สานักของพระคิรีมานันทะสาธยายสัญญาสิบประการให้ฟัง โดยใจความย่อๆว่ารูปคือก้อนทุกก้อนหนึ่งซึ่งประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่กล่าวคือดินน้ำลมไฟเป็นไปโดยจากสี่คือยือนเดินนั่งนอนรวมกันเรียกว่าอิริยาบถมีทวารทั้งเก้าคือตาสองจมูกสองหูสองปากหนึ่ง แล้วก็ทวารหนักและทวารบบามันเป็นที่หลั่งไหลออกแห่งตัวปลวกคือสิ่งโซโครกต่างๆเช่นขี้ตาก็ไหลออกจากตาขี่หูก็ไหลออกจากช่องหูทวารสรพางกายนั้นมีรูเล็กๆเป็นที่หลั่งไหลออกแห่งสิ่งสกรปรกอันหมักห ม, มมอยู่ภายในพระศาสดา จ, จึงทรงเปรียบรูปกายนี้เหมือนจอมปลวกบ้างเหมือนหม้อดินบ้างนี่คือส่วนแห่งรูป ส่วนเวทนานั้นก็คือความสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยเฉยบ้างสัญญาคือความทรงจำได้หมายรู้เสื่อรู้เสียงกลิ่นรสผลตพัและสิ่งที่ถูกต้องได้โดยกายสังขารก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้คิดไปในทางกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นกลางกลางบ้างส่วนวิญญาณ น, นั้นคือการรับรู้อารมณ์ อันผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและความรู้สึกนึกคิดทางใจทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าขันห้าล้วนมีสภาพเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้ไม่เที่ยงแท้แรปรปรวนอยู่เสมอเป็นอนัตตาเพราะฝืนไม่ได้ไม่เป็นไปตามปรารถนา ว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยทั้งหมดนี้พระผู้มีพระภาครวมเรียกว่าอานิจจสัญญาและอนัตตสัญญาโดยความหมายแล้วแม้แต่ในเรื่องอารมณ์เช่นความรักความชังเหล่านี้ก็ไม่นอกเหนือไปจากอนิจจสัญญาและอนัตตสัญญาเพื่อให้สัญญาทั้งสอง <c oughs> ได้รับการอุปถรัรมภ์พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้พิจารณาอาสุภาสสัญญาคือพิจารณาเห็นความไม่งามแห่งกายนี้โดยอาการว่ากายนี้ตั้งแต่ปลายผมลงไปตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆกล่าวคือผมขนน้ำมุดเป็นต้น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 ท่านเรียกว่าอาทีนวสัญญายิ่งไปกว่านั้นร่างกายนี้เป็นที่นำมาซึ่งสื่อแห่งความตรึกในอารมณ์ต่างๆคือความตรึกในเรื่องการบ้างเรื่องพยาบาทบ้างเรื่องเบียดเบียนบ้างวิตกทั้งสามประการนี้เมื่อจะตั้งลงก็ตั้งลงที่กายที่ใจนี้การกาหนดใจประหารกามวิตกพยาบาทวิตกแลววิหิงสาวิตก ท่านเรียกว่าปรหานสัญญาเมื่อประหารได้แล้วความกำหนัดพอใจในสิ่งใดในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก็คลายลงพอใจที่จะสํารอกราคะเสียได้เรียกว่าวิราคะสัญญาการดับกิเลส ท, ทั้งมวลให้ประสบความสงบเย็นเรียกว่านิโรธสัญญาความพอใจกำหนัใจในนิโรดนั้นเรียกว่านิโรธสัญญา ความรู้สึกว่าโลกนี้เป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดแห่งความวุ่นวายนานาประการหาความสุขได้โดยยากไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้นแม้โลกทั้งปวงก็อยู่ในสภาพอย่างเดียวกันร้อนระอุ ด, ด้วยเพลิงภายใ น, นกิเลตแล้วไม่ปราถนาโลกไหนไหนอีกเรียกว่าสัพพโลเกอนาภิรตสัญญา การกำหนดใจไม่ปราถนาสังขารทั้งปวงไม่ว่ามีใจครองหรือไม่มีใจครองไม่ยึดมั่นถือมั่นลอยวางซึ่งสิ่งอันเคยยึดมั่นถือมั่นไว้ย่อมประสบความเบากายเบาใจเหมือนคนปรงภาระอันหนักลงแล้วการกำหนดใจได้ดังนี้เรียกว่าสัพพสังขารเรสุ อ, อนิทัสั ญ, ญาการกำหนดลมหายใจเข้าออกมีสติตั้งไว้ที่ลมหายใจนั้น เมื่อหายใจยาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นทั้งนี้เพื่อบรรเทากามราคัตและความหลงไหลเรียกว่าอาณาปานสติท่านพระกิริ ม, มานันทะทรงกระแสจิตไปตามธรรมบรรยายของพระอาน์รู้สึกทราบซึ่งสึมทราบเกิดความปีติปราโมทย์เป็นปฏิกิริยาแห่งธรรมโมชัญญา สามารถขมอาพาธหนักเสได้ทันหายจากอาพาธนั้นด้วยฟังสัญญาสิบประการจากพระอนุท่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้ไข่ธรรมนั้นเพื่อขวนขวายในการกำหนดพิจารณาเห็นในสัญญาทั้ง10บ ป, ประการหรือสัญญาสามประการอันได้แก่อณิตาสัญญาทุกขะสัญญาและอนัตตสัญญาปลอยวางในความยึดมั่นถือมั่นในสังขารเสีย ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารมณ์ทั้งปวงในที่สุดย่อมสามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมเข้าถึงมรรคผลมิพานดังที่พระศาสดาทรงพระประสงค์ให้เราทั้งหลายได้เข้าถึงโดยทั่ว ก, กันอย่างแน่นอนท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการกำหนดพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง อันบุคคลไม่พึงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราเห็นโทษและรู้จักปล่อยวางเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการมีสติรู้เท่าทันไม่ลุ่มหลงนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาออกจากทุกได้สามารถที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้อย่างแท้จริงความหมายแห่งคำว่าพระนิพพานนั้นไม่ได้หมายถึงการตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่น พนิพพานไม่ได้หมายถึงการหลุดรอดจากตัวตนไปสู่โลกอื่นหรือภาวะแห่งความเป็นอย่างอื่นแต่พระนิพพานนั้นมีความหมายเป็นการดับเย็นจากสิ่งที่ร้อนท่านทั้งหลายอะไรเป็นของร้อนพระศ า, าสดาทรงตรัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะและโมหะเข้าแผดเผาเพรา ะ, พระดับไฟทั้งสามอย่างนี้ได้แหละ ท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงพระนิพพานภาวะแห่งผู้เข้าถึงพระนิพพานนั้นจะประสบปีติปราโมทอย่างใหญ่หลวงความรู้สึกจะปรากฏแก่ใจว่าบัดนี้ความเกิดสิ้นแล้วมาจันอยู่จบแล้วเกียที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว อีกอื่นที่จะต้องทำโดยทำนองเดียวกันนี้ไม่มีอีกแล้วพบทั้งสามคือกามาพบรูปประพบอรูปประพบได้ปรากฏขึ้นแล้วแก่ท่านผู้บรรลุแล้วซึ่งอริยภูมิประหนึ่งมีเพลิงโหมอยู่ทั่วได้ย่ำยีความเมาทั้งปวงได้นำความกระหายทั้งมวลออกไปได้แล้วดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้แล้ว ถึงแล้วซึ่งความเย็นอย่างเต็มที่ดวงจิตที่เคยเร้าร้อนนิ้นรนได้อาบิ่มแล้วซึ่งทำโมทกอย่างเต็มที่ประนึ่งหิมะละลายลงสู่ศิลาแท่งทึบซึ่งเคยถูกแดดแผดเผามาเป็นเวลานานภาวะแห่งผู้ปลดเปรื่องตนจากกิเลสได้เป็นอย่างนี้นี่เองช่างประสบกับภาวะที่สงบเย็นอย่างเต็มที่สนี่ไง สงบเหมือนน้ำในแอ่งน้อยที่อยู่ในป่าลึกสดใสเหมือนหยาดน้ำค้างเมื่อยามรุ่งอรุณอบอุ่นประดุกจะแสงแดดในยามเช้าเพราะฉะนั้นอะไรเล่าจะน่าปรารถนาของชีวิตยิ่งไปกว่านี้ไม่มีเพราะเหตุนี้เองพระศาสดาจิจสนทรงตรัสไว้ว่าพระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่สงบเย็นเป็นสุขอย่างยิ่งการสารอกตัณหา การสลัดการสลัดและการบอกคืนตัญหาการพ้นไปอย่างปราศจากอาลัยในตัญหาเป็นความสุขสดชื่นตลอดนิรันดรขอเราท่านทั้งหลายจงกระทำความเพียรเพื่อให้ถึงในสิ่งที่ควรได้ควรถึงเพื่อให้บรรลุในสิ่งที่ควรบรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งในสัจธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาธเถอชีวิตจึงจะจำเริญสังคมก็จะร่มเย็น และถึงที่สุดแห่งทุกได้โดยทั่วกันสำหรับวันนี้เวลาแห่งรายการปลุกให้ลุกขึ้นเพื่อประทําความเพียรได้สิ้นสุดลงแล้วขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ใกล้ทำทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี